ขอความจเจริญในธรรมชมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายใต่ลมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงเรื่องศีลและบารมีต่อไปกรเนั้นว่าแนวของศีลบารมีนั้นจะมีการจาแนกแสดงไว้โดยนิยามต่างๆแต่ว่าโดยเนื้อหามันแตกต่างกันในรูปแบบแต่ว่ามันจะตรงกันในแง่ของเนื้อหา คือเนื้อหานั้นจะปกติกายปกติวาจาจนครองชีวิตเป็นปกติภาพสังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติแล้วก็กลายเป็นปกติสุขซึ่งก็ทวนกระแสกิเลสกระแสอารมณ์กระแสะแ ส, สังคมไม่ใช่ธรรมดาเนยะเพราะเวลานี้มันเป็นปัญหาที่น่าห่วงคือเราลองสังเกตว่าแม้แต่ภายในวัดนะะหน้ากุติพระ พอทาเนานะหน้าโบสลานประเจดีเขียนประกาศระวังรองเท้าท่านจะหายอแล้วก็หดถูและการรักกโมยรองเท้าเนี่ยอย่าว่าจะรองเท้าโยมเลยนะรองเท้าพระนี่ก็หายเลยอาตมานี่หายเยอะบางทีโยมซื้อรองเท้าใหม่ๆมาก็ใช้ไปครั้งเดียวหายแล้ว ก็ตั้งใจบริจาคไปนะะอย่าให้มีเวรมีกรรมกันเลยกันแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนภาพสังคมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดระเบียบสังคมแต่ก็อย่าท้อถอยคือยุคสมัยอย่างนี้คนดีอย่าเสียขวัญอย่าเสียกำลังใจต้องพยายามบักบานมุมานะทำกันไปเรื่อยๆแต่แก้ที่คนอื่นไม่ได้นะฮะสีนี่มันแก้ที่เราไม่ใช่คิดแก้คนอื่น แต่ตัมปกติแล้วสังคมเรามักจะใช้ตานอกมากกว่าตาในคือชจะมองไปที่คนอื่นเรื่องดา่หาหเรื่องวิเคราะห์เรื่องตำหนิติเตียนคนอื่นได้ตลอดแต่ขาดการมองย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเราสิ่งทีเป็นเรื่องการมองกลับมาที่ตัวเราเจตนาวิรัตนเว้นสำรวมระวังนั้นอยู่ที่จิตอยู่ที่กายวาจาใจของเราทั้งหมดะ แน้หนึ่งท่านจึงเรียกว่าสัพยันตศีน์หมายความว่าศีน์ที่มีความเห็นต่อลาบยศสรรเสริญญาติปิตาวิยววและชีวิตเป็นที่สุดหมายความว่าตรง น, นี้อาจจะถึงละเมิดศีลดังที่กล่าวแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะฮะกล่าวในประเภทก็เนียว่าศีล์มีที่สุดสิทธิ์ไม่มีที่สุดเนี่ย นยา น, นกถาหมายความว่าถ้าเหล่านี้อาจจะล้มละเมิดศีลเพราะเห็นแก่แก่ลาบแก่ยศแก่ญาติแก่บิดแก่วัยญาณอะไรต่วอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องละเมิดศีลเพราะเป็นวงเป็นใยญ่คนที่รักหรือว่าเสียดายวิญญาณหรือเสียดา ย, ะ อ, ยดอะไรก็ได้คนเราส่วนใหญ่พวกก็อยู่ระดับเนี้ยมากเพียงแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอกับ วิกฤตการทางอารมณ์สังคมเนี่ยมันมีไม่มากเบอร์พิสูจน์จึงไม่รู้ว่ามีพิสูจน์ได้หรือไม่ได้มันไม่ถึงข่าวพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าปุกเทสุลมิสันติในภาวะ ว, ะวิกฤตเนี่ยมันต้องการคนที่กล้าหารมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมันมีแรงกระแทกกระทานมาจากอารมณ์โยโย่บ้างโยโยนบ้างโดยวิธีการต่างๆว่ารักษาศีลไว้ได้หรือไม่ล่ะ รักษาไม่ได้เราเห็นแก่สิ่งนั้น ส, สิ่งนี้สิ่งโน้นในที่สุดมันก็อยู่ในประเภทเนี่ยสัพยันตรศีลคือศีลที่ยังปุกพันธ์เอใหญ่เสนหาอะไรอยู่กับตัวเองบ้างแต่สิ่งมีเกี่ยวเนื่องตัวเองบ้างแต่ว่าจะหนักไปในทางรักนะหมายความว่าเป็นเรื่องอะไรปุกพันโดยอํานาจของความรักต่อตอนเองแล้วก็รักสิ่งคนสัตว์ที่เนื่องตัวเอง ถึงก็เล่าถึงดวงตาท่านหนึ่งก็บวชดูหลายพรรษาบวชสามพรรษาแล้วนะเมื่อก่อนก็ตั้งใจจะบวชแค่สามเดือนแล้วก็บวชแต่มันก็ชักจะสบายดีก็เลยไปเรื่อยๆจนประกาศครุ่ครามลงมันเลยว่าจะไม่ศึกแล้วปัญญาสอบถามเองก็บอกว่าจะไม่ศึกแล้วลูกมาถามก็บอกว่าจะไม่ศึกแล้วก็ปัญญาก็เลยวางแผน ลองดูซิว่าหลวงพี่ทีจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจิงมันก็ต้องปรับทิศทางในการคลองเรือดเหมือนกันเพราะตัวเองมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบเยอะในชั้นแรกก็ไปบอกให้คนไปบอกนะว่าเวลาเนี้ยมีเข้ามาสู่ขอลูกสาวก็อยากจะมาถามหลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไง จะให้หรือไม่ให้ปากท่านก็แข็งดีนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระเป็นเรื่องของชาวบ้านพระอายุไม่ได้เราอย่าโดนคิดยังไงก็ทำไปเถอะไม่ได้เกี่ยวกับอาตมาก็แสดงว่าลูกเนี่ยไม่แรงต่อมาก็สมควรไปบอกหม่บอกว่าหลวงพ่อไม่สึกแน่นะให้ลูกชายไปบอก ถ้าหลวงพ่อไม่สึกมีแม่บอกต้องขายนาบ้างเพราะว่านาเราเยอะแล้วก็ทำไม่หมดไม่มีคนช่วยเอาขายก็ขายไปเถอะไม่ได้เกี่ยวกับพระอยากจะทำอะไรก็ทำไปเราันสละแล้วสราหลมว่านานี่ก็ดึงไม่อยู่เปลี่ยนใหม่ให้ลูกชายไปบอกให้หลวงพ่อยืนยนันว่าไม่สึกแน่นะไม่สึกพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละ ลูกชายก็บอกว่าแม่ให้มาบอกหลวงพ่อว่ามีนาข้างบ้านเนี่ยแกชอบแม่อยู่แต่หลวงพ่อไม่ศึกจริงอ่ะแม่ก็คงจะต้องแต่งงานใหม่เพราะว่าไม่มีใครที่บ้านอามืดเถอะเอาอย่างนั้นเถอะพรุ่ง น, นี้แกไปเอาผ้ามาค่าสึกเห็นไหมฮะมันก็โดนด่านที่สามเขาไปเลยอันก็แสดงว่า เวลาเจอสภาพกระแทกกระทันกระทบมันกระเทือนหรือเปล่าอาจจะกระเทือนถ้ากระเทือนก็อยู่ในสีประเภทนี้นะแล้วก็หมายความโอกาสที่จะกระเทือนเนี่ยมันมีได้ด้วยกันถ้าเรายังเป็นสามัญชนเพียงแต่ว่าทำอย่างไงอย่าอ่อนแอมากเกินไปนะฮะจนเป็นผู้ชิวไพรต่อโรคเรียภูมิรัฐาโรคต่าเนี่ยมันก็หนักไปหน่อย ประการที่สองนั้นคือศีลที่ไม่มีความเยื่อใยอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามนะคือจะรักษาศีลเอาไว้เหนืออย่างอื่นแม้จะถูกล่อดโดยลาบดยยศด้วยญาตเอาญาติไปฆ่าจะทำลายา ว, วัยวะตัดมือตัดเท้าะอะไราต่ามเนี่ยพวกระดับนี้เขาเรียกว่ายอมตาย ไม่ยอมทำลายศีลที่ประโลกกนธาทรงมรดจไว้ก็กลายเป็นแบบพระโพธิสัตว์อยงที่ยกตัวอย่างไว้ทีนี้ศีลอีกระดับหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นคือแสดงว่าเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะเราจะเห็นว่าทรงแสดงให้เห็นเป็นรูปของเครื่องมือในการตรวจสอบเล้มันดูสภาพจิตของเราอ่ะการดูจงนี้มันก็เหมือนอะไรล่ะมันเหมือนที่ พระโพธิสัตว์ของเราในสมัยที่บำเพ็ญเพียรแล้วก็ได้ยินเสียงพินสิยงพีนในหนังสือเป็นที่แผงกวีปเอเชียเขาเขียนเป็นบทประพันธ์ไว้ว่าดีพินจับระบำจงทําสายพอดีตึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมดเสียงใสห ย, ย่อนนักสายหมดไปจงทําสายพอดีมาได้ยินแล้วได้คิดเนะี่ย เพราะว่าความรอบรู้เรื่องผิดของท่านเนี่ยเรา้รารู้ดีอยู่แล้วมันเกิดคิดแล้วก็ตัวเองไปเทียบเคียงการปฏิบัติของตัวเองกับสายผิดว่าเวลานี้มันอยู่ในผิดประเภทไหนปรากฏว่าอยู่ในผิดประเภทสายมันตึงถ้าคืนเดินหน้าต่อไปได้จะขาดเลยก็ปรับการปฏิบัติมาในสู่แนวของการบําเพ็ญเพียรทางจิต ไปตรนี้ก็เหมือนกันรถงแสดงเป็นมาสเป็นเครื่องวัดเอาไว้นะแล้วเราก็ตรวจสอบดูเราว่าเรานี่อยู่ในเกณฑ์ประเภทไหนประเภทแรกท่านเรียกว่าโลเกียศีนคือว่าเรารักษาศีลจริงแต่ว่ากิเลเ ย, ยังมีอยู่ท่านบอกอาสวะนี่ยังมีอยู่แตนน่แน่นอนเรื่องเหล่านี้สามัญนชนที่จริงไม่ใช่สามัญชนนะอย่าลืมว่าอ า, อาวิชาสาวะก็อยู่ตรงนี้ด้วยคือยกเวนาา้นพระนาคามณนะ มันก็ยังมีอาสวะอยู่แต่อาสวะไม่มีอิทธิพลเหนือจิตท่านตั้งแต่เป็นวสุดาบันขึ้นไปแล้วบางครั้งมีท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงแต่ว่าสามบรชิญทั่วไปเนี่ยทํายังไงว่าอาสวะใหญ่เข้มข้นมาเพราะถ้าเข้มข้นมากมันขัดดันให้เกิดการละเมิดศีลได้ง่ายอาสวะคืออะไรคือกามาสวะภ า, าวสวะอวิชาสวะ กามะสวะอสวะคือกามได้แก่ความใคร่ในสิ่งที่ใจกำหนดว่าน่าใคร่อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นสิ่งผู้แงบ่บาราบยศกันเสินสุขเราไปตีข่ามันเองว่ามันน่าใคร่ ใ, ใจเราก็เกิดใคร่ทีนี้ถ้าความใคร่มันมากมันก็กลายเป็นเาเรียกว่าวีติกมะคือมันล้นมันลนมันก็นละเมิด เรืม่มการทป็การผิดศีลวันโลกียะศีลมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ประดับประเดิลหกลมมหกลุกไปการปฏิบัติมันก็แมวที่จะปรับให้ศีลเนี่ยมันมีความมีกําลังมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนมืน่ศีลรังบาลั ง, ลงอัปติมังในแง่ของการพัฒนาศีลมันจะเป็นกําลังที่หาที่เปรียบไม่ได้ แต่หมายความว่าจะต้องเป็นศีลที่ปกติคือ น, นิ่งแล้วโยครอนไม่หวั่นไหวจะแรงกระแทกกระทันซึ่งเข้ามากระทบโดยเฉพาะแล้วจะหนักไปทางชอบกระชั่งนะคโอกาสให้เราเมื่อศีนี่คือชอบกระชังมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าชอบกระชังอย่างเดียวน่ะถึงจะหวันมากกวเพื่อนมากกว่าเพื่อนเพราะนั้นพระเจ้าจะใช้คําว่า กระทบอิทธิลงกับนิทธิลมเก็รลมที่น่าปรารถนาก็เป็นน่าปรารถนาก็มีความเข้มแข็งมากหรือน้อยและสีตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีความเข้มข้นในดับอะไรล่ะหยาบกลางประณิดเรื่องเดียวกันนะฮะแต่มันมีหยาบกลางประณิตหรือ ถ, ถ้าเราดูสีที่หลวเจ้าจสุคบัญญัติแล้วจะมีความชัดเจนเอาเฉพาะสีแปดที่ที่เราคุ้นๆกันนะี่ยนะ สิบแปดรายละเอีว่าตัวหลักเนี่ยมันอยู่แค่สี่ข้อข้างบนข้อตรงนี้ถ้าละเมิดเนี่ยเขาเรียกกรรมกิเลสหมายความการกระทําด้วยแรงผลักดันของกิเลสด้วยกระทำด้วยสภาพจิตที่ผิดปกติคือจิตมันมีอาสวะค่อนข้างแรงเราก็งดเว้นเรงดเว้นค่อนข้างลึกในข้อที่สมเนี่ยมันค่อนข้างลึกเพราะว่างดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์คือเกี่ยวข้องทางเพศประเด็นตรงนี้ก็อยากจะแวะนิดหน่อยว่า เวเนียสังคมเราบางทีมันเกิดความสับสนคือชาวบ้านแยกไม่ออกระหว่างศีลพระกะับศีลคาระวะศีลคารวะนั้นเขาเรียกว่าอาคาระยะ ว, วินัยวินัยของของชาวบ้านของผู้ครองเรืนอนคนบวชนั้นเขาเรียกาอานาคาระยะวินยัยวินัยของผู้ไม่มีเรืนอนะอานาคาทีจริงๆเขไม่มีเรือนนะมันก็เร่ร่อนจรนจัดแบบนกกมิ้นเหลืองอ่อนนะกว่าจะมาอยู่ถึงปัจจุบันได้เนี่ยมันก็ ผ่านการเวลามาเยอะทีนี้สีลข้อเดียวกันเนี่ยมันจะมีความต่างกันเอาเฉพาะสีนข้อที่สามนะฮะเราจะเห็นว่าสีลข้อที่สามถ้าเราจับเรียงในกลุ่มพุทธบริษัทเอ่อทั้งหมด อ, อทั้งหมดเราจะเห็นว่าสีนข้อที่สามในกรณีที่ไปมีเพศสัมพันธ์ถ้านชาวบ้านรักษาสินแปลกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะะต่อใหม่ได้ สีนตรงนั้นขาดแต่ว่าต่อใหม่ได้ถ้าเป็นสามเณรก็ขาดจากความเป็นสามเณรต่ต่อใหม่ได้ถ้าเป็นสามเณรีเหมือนสามเณรนะฮะขาดจากความเป็นสามเณรีจะต่อใหม่ได้ถ้าเป็นนางสิกขมานานั้นจะขาดแต่ว่าต้องรักษานับหนึ่งใหม่นางสิกขมานาถ้ารักษาสีห้หกข้อแต่ว่าใช้เวลาสองปีนะโดยไม่ขาดเล ทนี้ถ้าภิกษุกับภิกษุณีที่หมดสภาพความเป็นภิกษุภิกษุณีไปแต่เพราะงั้เมื่อศีลมันต่างกันความเข้มข้นก็ต่างกันเพราะงันอย่างญาติโยมอุสปสมบทิกาทั้งหลายเนี่ยถามว่าผู้ชายนี่จับต้องผู้หญิงที่เป็นญาติพี่น้องได้ไหมผู้หญิงที่เป็นผู้ชายนี่จับต้องไู้ใหญ่ผู้หญิงจะต้องญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายลูกหลานเลีลื้อี้ได้ไได้นะห้ามเรื่องเดีย้ยห้า ม, มีแพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ขาดศีล คือยังนึกวัน ก, นก่อนเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดจะโอตายเลยรักษาสนาอย่างนี้นีเองอ่ะเด็กมันได้เกลียดเกลียดศาสนาคือปปล่อยไรับาศาสนนี่ยศาสนโบสดกลับไปวัดเองลูกหลานแต่ต้องไม่ได้เลยตะวัดเวทเลยหน้าบึ้งคือศีลก็ไม่เห็นอาการธรรมะก็ไม่เห็นอาการแล้วก็ขี้โกรธ ด, ด้วยนะใครกระทบกระทั่งไม่ได้แล้วก็กลายเป็นอะไรว่าลูกหลานก็สงสัยว่าเองวัดที่มันเป็นยังไง เมื่อตอนเช้าๆดีคุณยายคุณตาคุณพ่อคุณแม่ก็ดีๆอยู่นี่ตอนไปว่าได้กลับมาทําไมมันวัดวัดวัดไอ้ น, นี่คือคือจุดพลาดแล้วก็ทําให้เด็กมองาศาสนาคล้ายๆกันแย่งแย่งปู่ย่าตายายของแกไปปู่ย่าตายายที่มีเมตตากรุณามีความรักมีความบุญเนี่ยพอรักษาศีลแล้วก็ดุแล้วเกินเข้าใกล้ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้เคร่งมากไปหน่อยนะ น, นี่มันเป็นศีลของชาวบ้านชาวบ้านก็คือคนที่ครองเรือนนะฮะจับต้องกันได้ถูกต้องกันได้ไม่ได้ว่าไรขอห้ามบึงเพศสัมพันธ์แต่นั่นเองแม้แต่จับต้องคนที่เป็นชาวบ้านนะเราไปจับต้องได้แล้วก็แม้แต่ว่าในกรณีเหล่านี้ในกรณีจับต้องอนะนะเราต้องนึกว่าแม้แต่พระเราเองเนี่ยวินัยก็กําหนดไว้เล ย, เลยว่าภิกษุมีจิตกําหนัดจะต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเศษ หรือต้องทรมานตนทีนี้เราลองดูสมมติว่าพระนั่งไปในเรือโดยสารขํามฟากเนี่ยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปในเรือเนี่ยแล้วอยู่ใกล้มือพระเนี่ยถามว่าพระช่วยได้ไหมช่วยได้นะเพราะว่าจิตเราไม่กํานัดจิตมันเกิดการุณนวิเัยกำมือแค่จิตกําหนิดแต่นั่นเองแต่ทีนี้เราก็เคร่งมากกันไปหน่อยอธิบายกันจนว่าส่วนมากพระอาจารย์รุ่นหลังอนธะิบายเนี่ เคยพบเขาอธิบายว่าสมมติว่าแม่ตกบอ่อนะภิกษุอย่าพึ่งกระโดดลงไปช่วยนะพึ่งหาเชือกหาอะไรแต่อะไรค่อยๆโรยลงไปแล้วอย่าบอกให้แม่จับพอแม่จับแล้วกนดึงมาเลยคิดว่าเราก็ดึงเราก็ดึงบริขารนะพูดเมื่อมากไปนะทำอย่างนั้นแม่ตายทาั้งนานแล้วมันไม่มีเหตุผลนะ่ยเพราะพระวิยญี่จะกำหนดและชัดเจนว่ากหนัดเท่านั้นเองจึงไม่ได้ ตัวสังคมเราเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกิดตรวจสอบวิเคราะห์นะวิเคราะห์ตรวจสอบอย่างแนวที่เขาเล่าถึงว่าพระเซนมีกายเซนสององค์ก็เดินไปแล้วก็เจอลาําธารขวางอยู่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงหญิงสาวนะฮะก็เธอจะข้ามแต่ข้ามไม่ได้นะ่ะตัวเขาเล็กหลวพ่อหนึ่ร่างใหญ่นะท่านก็ช้อนตัวอุ้มเลยไป ว, วางไว้ที่ฟากหนึ่งแล้วก็เดินเฉยกับัด คนที่เดินตามหลังนี่ไม่พอใจไปถึงวัดที่ทําไมท่านไปอุ้มผู้หญิงทําไมบอกเอ้านั่นท่านยังอุ้มอยู่หอผมวางตั้งแต่ที่ตะลิง่งเห็นไหมมันทําด้วยกรุณาไม่ได้ทําด้วยกําหนัดอะไรก็ทํำด้วยเหมือนกับพ่ออุ้มลูกอ่ะก็ทําด้วยกรุณาก็สงสารเด็กอ่ะเด็กมันจะจมน้าตายใช่แต่สังคมนิกายเซนเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าสังคมพุทธเราเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าสังคมเทราวาสเรานะ่บางทีเนี่ยเราเคร่งกันจนสับสนไปหมดเลย จนว่าทำอะไรไม่ได้และบางเรื่องเนี่ยเรื่องขายตังวินัยเนี่ยก็มีผวามชัดเจนเขาเข้าอยู่ในตัวของพระวินัยแล้วแต่เราถือเกณฑ์ของวินัยแล้วไม่ถึงก็เครียดนะนะก็ เ, เรียกว่าเคร่งเคร่งครัดอย่าให้เคร่งเครียดวันก่อนในแปลพิปรายร่วมกับอาจารย์เปนอิสลามนะฮะที่จุฬาลงกรรัตตยาลายัยคุยคุยกันเขาบอกว่าดีนะอิสลามเขาก็เคร่งเคร่งดี ต่านบอกว่าเคร่งเคร่งครัดนะได้นะครับแต่อย่าเคร่งเครียดกันได้กันว่าเอื้อคบนะพูดได้คมตัวนี้คือคือเราจะเห็นว่าในความเป็นศีลด้วยกันแล้วก็เป็นโลกียะศีลด้วยกันมันก็มีอากา ร, รลดหลั่นกันไปเขาเรียกว่าตามสมควรแก่ฐานานรูปของบุคคลนะจะให้โยมมารักษาศีลอย่างพระได้ยังไงโยมก็คือโยมพระก็คือพระรักษาศีลต่างกัน ตามสถานะก็ดีวุฒิภาวะก็ดีสภาพของชีวิตท่านอยู่ก็ดีเดียมันจะต่างกันสีเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นจะไม่เหมือนกันเพราบางอย่างเนี่ยพระทาผิดโยมทาในเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่ผิดรเพราะว่าสถานะมันไม่เหมือนกันนันคือแนวโลกียศสีแนวโลกิยศสีก็คือทำยังไงว่า อาสวะมันมันลดระดับลงไปเรายังมีแต่ว่าลดระดับลงไปหน่อยอยหายถึงก็ลดบ่อยๆลดความเข้มข้นลงไปลดการฟุงฟ้งขึ้นเนี่ยูขึ้นเนี่ยแล้วร า, าวสาะก็ อ, อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นนะสมมติว่าเราเป็นพระอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นทจคุณประคูอะไรต่อไป มันก็อาจจะมีนะฮะแต่อย่าถึงก็พูดอย่ถึงก็แสดงออกอย่าถึงก็วิ่งเต้นระจบไระจอย่าถึงก็เข้าหาผู้ใหญ่อะไรต่ไรเนี่ยถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็แล้วไปมันก็เหมือนกับสัมมวลในการทอดกระถิ่นเนี่ยมาชอบสัมนวลในการทอดกระถิ่นเวลาพระนภปโลกระิ่นเนี่ยว่าเหมือนกับผ้ า, นผาเนี่ยผ้ากรินเนี่ยเหมือนกับเลือนลอยมาจากหน้าผากาศมาตกลงท่ากลางสม แล้วสงฆ์ก็จะมอบไปแก่ใครก็ถามมติที่ประจุมังสุแตถ้ามันมาในลักษณะนั้นเนะี่ยไม่ว่าลาบยศสรรเสริญมาในลักษณะนั้นก็มาไปแต่ว่าอย่าไปหลงอย่าไปถึงก็คว้าอย่าไปแสดงอาการของกรมาสวะภวาสวะให้มากเกินไปเพราะถ้าอย่างนั้นมันเป็นอวิชชาสวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมรสรษักไม่ใช่เนื้อาหาของว่าเป็นพระ ความเป็นพระมันอยู่ที่ศีลสังวรเป็นความสำรวมระวังในศีลนะอินทร์สังวรสำรวมระวังวอินทร์เนื้อหาสาระของความเป็นพระโดยสรุปนะคือศึกษาปฏิบัติสัมปัตผลเผยแผ่แก้ปัญหาแก่ประสาทศาสนานะัคือเนื้อหาของความเป็นพระมันไม่ได้อยู่ที่สมณศักดิ์สมณศรรักดิ์มันกลายเป็นราชศักักดิระที่พระราชาท่านยกย่องส่งเสริมสนับสนุนเราก็ควรรักษาไว้ให้เหมาะสมแก่ ฐานมันดอนศักดิ์ที่ท่านถวายแล้วก็มอบภารกิจให้ด้วยนะฮลเพราะสมาศก็ใช้เป็นมันก็เป็นคุณนะเพราะว่ามันมีคําที่มอบหมายมาว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์ต่อภิกษุสามนเณรในพระอารามโดยควรเทือนเนี่ยถ้าทําได้แล้วก็ดีมากนะเห็นไหมวันนี้เราเป็นธรมาศกันใหญ่โตพอเกิดอธิกรณ์ขึ้นมาไม่มีคนรับผิดชอบเลย เตะลูกกันไปเตะลูกกันมาเขาเรียกว่าโยนรองนั้นก็แสดงว่าสัมมาสักที่ให้ไปนั้นไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ตอบสนองพระประสงค์ของการสถาปนาสัมมาสักหรือการมอบหมายแต่งตั้งสัมมาสักถ้าเราปฏิบัติตามนั้นมันก็การมาสวะภาวะสวะวิชาสวะก็ลดนะจริงๆปฏิบัติไปก็คือการปฏิบัตถถิธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมภารกิจเหล่านี้ภารกิจในการชำระอธิกรเนี่ยมันเป็นภารกิจแม้พระพุทธเจ้าเอาไม่ต้องพระเจ้าอพระ า, ารหันทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังทำนะฮะต้องทำ ต, ต้องแก้ไขตรงนี้ไม่นอนศีลคงเป็นศีลระดับที่เรียกว่าโลกิยะมีอาสวะมีกิเลสเรียบร้อยแต่ว่าไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสแล้วก็เป็นนายเหนือกิเลสบังคับใช้กิเลส แล้วก็ประคับประคองตัวเองไม่อยู่ในขันลองแห่งสิงส่วนใหญ่เราก็อยู่ระดับนี้เป็นระดับข อ, ง, องสีละสงวรกับอินทรีย์สงวนมีขันติมีสติมีความรู้พอคุ้มครองตัวเองได้นะฮะบริหารตัวเองให้ได้ป้องกันรเรื่องที่ควรป้องกันบำบัดเรื่องที่ควรบำบัด ก็สามารถจะลดละความบกพร่องผิดพลาดต่างๆให้จางให้คลาให้บรรเทาลงไปได้ตามสมควรแก่เหตุทั้งฟังทั้งหลายใตร่มรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาทัทนทีที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี